ไม่มีในการนั้นท่านย่อมไม่มีในโลกนี้ย่อมไม่มีในโลกหน้าย่อมไม่มีในโลกทั้งสองนี่แหละเป็นที่สุดแห่งทุกอธิบายว่าบทว่าตะโตตวังพาหยะนาะตะถะความว่าในการใดหรือเพราะเหตุใดเธอจักเป็นผู้ไม่กำหนัดเพราะราคะไม่ขัดเครืองเพราะโทสะไม่ลุ่มหลงเพราะโมหะในการนั้นหรือเพราะเหตุนั้นเธอจักไม่มีในรูปที่เห็นแล้วจะไม่สำคัญว่ารูปที่เห็นเนี่ยเป็นเราเป็นของเราเป็น อัตตาของเราไม่สำคัญว่าเสียงที่ฟังเป็นเราเป็นของเราและเป็นอัตตาของเรากลิ่นรสโพธะะที่ทราบจะไม่สำคัญว่าเป็นเราเป็นของเราและเป็นอัตตาของเราไม่สำคัญอารมณ์ที่เรานึกคิดว่าเป็นเราเป็นของเราเป็นอัตตาของเราเนี่ยนะในในอารมณ์ทั้งหมดเนี่ยนะเธอจะเป็นผู้ไม่ค้่องตั้งอยู่ด้วยตัณหา m า n a และทิฏฐิว่านั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็น อัตตาของเราพันธาธพิจารณาโดยอนิจังละความสำคัญว่านั่นของเราพิจ้อเขอา้าไปพิจารณาว่าเป็นทุกละความสำคัญว่านั่นของเราพิจารณาว่าอนิจังละความสำคัญว่าเราเป็นนั่นละเห็นความเป็นอนัตตาละความสำคัญว่านั่นเป็นอัตตาของเราเนี่ยนะด้วยคำเพียงเท่านี้พระองค์ทรงให้ปหานะปริญญาถึงที่สุดแล้วแสดงขีณาสวภูมเป็นธาตหันเรียบร้อยแล้วนะก็ นั่นเรานี่เป็นอะไรตัณหาเราเป็นนั่นมานะนั่นอัตตาของเราเป็นทิฐิอนิจจังละมานะทุกขังละตัณหาอนัตตาละทิฐิอนิจจังก็คืออนิจจานุปัสสนาทุกขังก็คือทุกขานุปัสสนาอนัตตก็คืออนัตานุปัสสนาเมื่ออนิจจานุปัสสนาทุกขานัตานุปัสสนาบริบูญนิพพานานุปัสสนาก็บริบูณเมื่อนิพพานานุปัสสนาเป็นต้นบริบู์ อนุปัสนาสูงสูงก็บริบูรณ์ทีนี้อนุปัสนาเหล่านั้นที่บริบูรณ์ก็เป็นปัจจัยแก่อริยมรรคบริบูรณ์เมื่ออริยมรรคบริบูรณ์ก็กำจัดกิเลสถึงขีณาสะวะภูมิขีณนะแปลว่าสิ้นแล้วอาสะวะก็อาสะวะสิ้นแล้วเนีย่ยนะภูมิเป็นที่สิ้นอาสะวะคืออะไรก็คืออรหัตตมรรคอรหัตตผลเป็นต้นทีนี้ถ้าเป็นอย่างนี้นะตะโตตวังพาหยะเนวิธาณนะหุรังนะ อุพยมัตเตเรนะแปลว่าพะยะในการใดเธอจะไม่เป็นผู้เกี่ยวเนื่องในรูปที่เห็นแล้วด้วยกิเลสมีราคะเป็นต้นในการนั้นเธอจะไม่มีในโลกนี้จะไม่มีในโลกหน้าจะไม่มีในโลกทั้งสองอีกในหนึ่งนะถ้าสํานวนเนติ ป, ปกรณ์ท่านบอกว่าถ้าหากว่าถ้าพิจารณาตามที่กล่าวเนี่ยเธอจะสําคัญไหมว่าตาเป็นเราเป็นของเราเป็นอัตตาของเราไม่สําคัญสําคัญไหมว่าสีเป็นเราเป็นของเรา เป็นอัตตาของเราไม่สําคัญว่าเราคือตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่สําคัญว่าเราคือรูปเสียงกลิ่นรสโพธะและธรรมารมณ์ก็จะเห็นสิ่งเหล่านี้ที่ไหลไปตามปัจจัยในความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแต่ว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาที่บริบูรณ์นั้นจะต้องเป็นอารมณ์ของอนุปัสนาคืออารมณ์ของสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิมักองค์เดียวบรรลุได้ไหม ไม่ได้ต้องมรค8ะนะถ้าผู้สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะเป็นต้นก็เป็นอันกล่าวแล้วเนี่ยนะเพราะอย่างไรเสียทิ้งมรคอย่างอื่นอีกไม่ได้หรอกเป็อนอยังไงก็ต้องเจริญให้ครบมรค8นั่นแหละถ้าปฏิบัติตามนี้เอเสวันโตทุกขสะจจริงอยู่ในข้อนี้เมียที่บายเพียงเท่านี้ว่าก็ที่สุดเขตกำหนดและความหมุนเวียนแห่งกิเลสความกิเลสทุกและวัตทุกก็จบเนี่ยนะ หมายความว่าถ้าปฏิบัติเจริญมักมีองค์แปดในทวารทั้งหมดได้เนี่ยนะก็สิ้นกิเลสถ้าสิ้นกิเลสก็ถือว่าสิ้นกรรมถ้าสิ้นกรรมก็ถือว่าเป็นอันสิ้นวัตตะส่วนก็อาจารย์เหล่าใดถือบทว่าพวกนี้ก็โหหลายอาจารย์เลยกระดมมาวิจารกันแหลกเลยเนี่ยไม่อ่านทานไปนะนหลายอาจารย์จะสรุปและเชื่อถือไม่ได้สักอาจารย์เลยในะนั้นนะเพราะตอนหลังท่านก็บอกว่าท่านปฏิเสธหมด เราก็ไม่อ่านละมาดูในหน้า152นับขึ้นนับขึ้นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนับขึ้นบรรทัดที่ที่แปดเนี่ยนะขอโทษขอโทษเอาบรรทัดสุดท้ายเลยดีกว่าอ่ะนะเพราะท่านปฏิเสธแล้วว่าคำทั้งหมดนั้นไม่มีในอาาัตถกถาเพราะฉะนั้นคำเหล่านั้นไม่อ่านละ มาบอกว่าทำอันเป็นไปในภูมิสามพึงสงเคราะห์ด้วยอาการสี่โดยรูปที่จักคูวิญญาณเห็นแล้วเป็นต้นด้วยคำเป็นต้นว่าทิเฐ ท, ทิธรรมตังภวิสติเมื่อจักคูวิญญาณเห็นรูปก็เป็นประมาณเห็นอย่างนี้ก่อนสรุปว่าภูมิสามเนี่ยสงเคราะห์เหลือเอ่อเหลือสีอ่คำที่ถังสุตังมุตังวิญญาตังเนี่ยนะเหลือสี่คำเมื่อเหลืออย่างนี้เนี่ยนะทำเหล่านั้น ท่านแสดงถึงอสุภาพภาวนาทุกขานุปัสสนาอนิจานุปัสสนาและอนัตตานุปัสสนาโดยมุก ค, คือแนวทางคือการเวน้นจากการยึดถือว่างามเป็นสุขว่าเป็นของเที่ยงและเป็นอัตตาอันเนี้ยเป็นคําแสดงอะไรสามบรทัดนี้หมายถึงอะไรหมายถึงสติปัฏฐานสอสุภาพภาวนานั่นแหละคือกายานุปัสสนา ทุขานุปัสสนาก็คือเวทนานุปัสสนาอนิจจานุปัสสนาก็คือจิตตานุปัสสนาอนัตตานุปัสสนาก็คือธรรมานุปัสสนาเพราะกายานุปัสสนาละความยึดถือว่างามทุกขานุปัสสนาละการยึดถือว่าสุขอนิจจานุปัสสนาละการยึดถือว่าเที่ยงอนัตตานุปัสสนาละการยึดถือว่าเป็นอัตตาเมื่อว่าโดยย่อท่านกล่าววิปัสสนากับวิสุทธิเบื้องต่ำ วิสุทธิเบื้องต่ำคือไรสีและวิสุทธิจิตวิสุทธิวิปัสสนาก็คือที่ถีวิสุทธิเป็นต้นด้วยคําว่าตโตตวังพาหยะนเะตะนะนี้ตรัสถึงมรรคเพราะประสงค์เอาการตัดกิเลสมีราคะเป็นต้นได้อย่างเด็ดขาดบทว่าตโตตวังพาหยะนะตะะัฏฐ์เนหมายถึงผลจิตบทว่าเนวิทาเป็นต้นก็คือเธอจะไม่มีในโลกนี้ไม่มีในโลกหน้าไม่มีในระหว่างโลกทั้งสองอันนี้หมายถึง อนุปาทิเสสนิพานพอฟังจบจิตก็หลุดพ้นจากอาสวะด้วยอาการที่ไม่ยึดมั่นว่าเที่ยงสุกงามยั่งยืนและเป็นอัตตาเลยบรรลุแล้วเนี่ยนะก็หมดจากอาสวะเขาบอกว่าอาสวะแปลว่าอะไรแปลว่าไหลไปคือไหลตั้งแต่ภาวะกับพรมจนถึงโคตรภูที่จริงไอ้คำว่าไหลอันนะัโดยภูมิเนี่ยอาสวะเนี่ยมันไหลไปจนถึงภาวะกะพรมคือเนวสัญญาณาสัญญายตนะ โดยธรรมเนี่ยมันไล่ไปจนถึงโคตรภูยาน น, นะแต่ตรงนี้เขาแปลยังไงไม่ทราบภาวะกระพรจนถึงโคตรภูกลายเป็นคนละเรื่องไปเลยชื่อว่าอาสวะเพราะเป็นเหมือนเครื่องหมักดองอาสวะเนี่ยแปลว่าเครื่องหมักนะนะหมักไว้นานมากก็หมักไว้นานจนเห็นก็งามเลยเห็นปั๊บเที่ยงเลยเห็นปั๊บก็สุกเลยเห็นปั๊บก็อัดตาเลยเนี่ยนะมันหมักขนาดนั้นนะ วิมุตติว่าหลุดพ้นคือสลัดออกด้วยสมุทเฉทวิมุตเป็นชื่อของอะไรสมุทเฉทอริยมร์ปฏิปสัสสทิวิมุตก็คืออริยผลอธิบายว่าก็ท่านพาหยะนั้นพอฟังธรรมของพระาศาสดาเท่านั้นชำระศีลให้หมดจดอาศัยสมาธิจิตตามที่ได้แล้วเริ่มวิปัสนาเป็นขีปปาพิญญาบุคลคลขิปปาพิญญาปแปล ว, ว่าตรัสรู้ได้อย่างเร็วพลัน น, นนะตรัสรู้ได้อย่างรวดเร็ว ให้อาสวะทั้งปวงสิ้นไปบรรลุเป็นผ้าอรหารพร้อมด้วยปฏิสัมพิธานในขณะนั้นนั่นเองอ น, นะก็ตั้งความปรารถนามาแสนกลับด้วยนะท่านตัดกิเลสดุดกระแสน้ำในสงสารทมที่สุดแห่งวัตทุก์ทรงไว้ซึ่งร่างกายสุดท้ายถูกธรรมดาเป็นไปด้วยปัจเวกขณะยานตักเตือนก็ปัจเจกขณะยานตักเตือนก็เลยทูลขอบวชกบพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ก็ถามว่า เธอมีบาทและจีวรบริบูรณ์แล้วหรือยังพระเจ้าค่าเนี่ยนะทำไมจึงยังอะ่ะเพราะไม่ได้ทําบุญด้วยจีวรเป็นต้นไว้เลยเนี่ยนะก็เลยไม่ได้เอหิพิกขุอุปสัมปทาเนี่ยนะเพราะฉะนั้นพ ร, พระองค์ก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นเธอก็ไปสแสวงหาบาทและจีวรแล้วก็หลีกไปบางท่านก็จะไปนึกเลยถ้าไม่พระพุทธเจ้าน่าจะสงเคราะห์กันบ้างะนะคือพระองค์รู้อยู่แล้วว่าท่านจะปรินิพานแล้วเนี่ยนะ ได้ยินว่าพาหิยะนั้นกระทาสมณะธรรมสิ้นสองหมื่นปีในพระศาสนาของพระกัสสปะทศพลคิดว่าธรรมดาภิกษุเมื่อตนได้ปัจใจแล้วทำทานตามสมควรจึงฉันด้วยตนจึงควรดังนี้แล้วไม่ทำการสงเคราะห์ด้วยบาตรหรือจีวรแม้แก่พิกษุรูปหนึ่งเพราะฉะนั้นท่านจึงมีท่านจึงไม่มีอุปนิสัยแห่งเอหิภิขุอุปสัมปทาไม่เคยแจกจีวรใครเลย และตัวเองเนี่ยนะก็ใช้แต่ผ้าบางสกุลเป็นต้นใช่ไหมไม่รับผ้าไม่รับอะไรมีอยู่ชุดเดียวพอมีชุดเดียวเนี่ยตัวเองก็ไม่มีก็ไม่ยอมแจกใครก็เลยไม่เคยให้ทานจีวรเป็นต้นไม่เคยให้บาทให้จีวรใครเลยเพราะฉะนั้นก็พอมาชาติสุดท้ายก็เลยอดบวชเลยเนี่ยนะอาจารย์บางท่านก็บอกว่าอาดีตเนี่ยเคยเป็นโจรปล้นผ้าพระประเจกพระพุทธเจ้ากันะเพราะโลภในบาทจีวรเนี่ยนะปล้น ปล้นบาทปล้นจีวรพระนะก็สมควรแล้วที่ไม่ได้บวชอย่างเงี้ยนะอันนี้ก็พูดถึงเหตุในอดีตย้อนกลับมาในพระสูตรอีกครั้งหนึ่งนะในหน้าหนึ่งข้อห0ก็อ่านพระไตรปิฎกนี่ก็อ่านกลับไปกลับมาอย่างนี้แหละครั้งนั้นแลเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จหลีกไปแล้วไม่นานแม่โคลูกอ่อนวิดพาหยะถารุจิระให้ล้มลงปลงเสียจากชีวิต ครั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จเที่ยวเบนทบาทในพระนครสาวัตถีกลับจากเบนทบาทในเวลาปัจชาภัทคือหลังอาหารเสด็จออกจากพระนครพร้อมด้วยกับพิสุเป็นอันมากได้ทอดพระเนตรเห็นภาหยะทารุจิรยธรรมกาละแล้วจึงตรัสกับพิสุทั้งหลายว่าดูก่อนภาหิยะอขออภัยดูก่อนพิสุทั้งหลายท่านทั้งหลายจงช่วยกันจับสรีระของพาหยะทารุจิร ย, ยกขึ้นสู่เตียงแล้วจงนำไปเผาเสีย นนะก็เก็บกระดูกใส่สถูปเอาไว้ดูความพิสูจน์ทั้งหลาย พ, พาหยะทารุจิริยะประพฤติ ธ, ธรรมอันประเสริฐเสมอกับท่านทั้งหลายทํากาละแล้วคือประพฤติ ธ, ธรรมอันประเสริฐก็คือประพฤติอริยมกกรรคมจรย์เสมอด้วยพระอรหันต์ทั้งหลายอนนะัิกษุเหล่านั้นทูลรับพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วช่วยกันยกสรีระของพาหยะทารุจิระขึ้นสู่เตียงแล้วนําไปเผาทําสถูปคือทําเจดีย์เอาไว้ แล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับได้นั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นแล้วได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญสรีระของพาหยะทารุจิรยะข้าพระองค์ทั้งหลายเผาแล้วและสถูปของพาหยะทารุจิริยะนั้นข้าพระองค์ทั้งหลายทําไว้แล้วนะแต่ก็ไม่รู้ในว่าท่านเป็นพระอรหันต์ก็เลยถามว่าคติคือพบต่อไปอ่ะนะคติคือคติห้ามีนรกเป็นต้นเนี่ย ภาหยะทารุจิรยะนั้นน่ะเป็นอย่างไรคือไปเกิดที่ไหนพกเบื้องหน้าของเขาเป็นอย่างไรพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูก่อนพิสูจทั้งหลายพาหยะทารุจิรยะเป็นบัณฑิตปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธทมทั้งไม่ทําให้เราลําบากเพราะเหตุแห่งการแสดงธรรมดูก่อนพิสูุทั้งหลายพาหยะทารุจิรยะปรินินภานแล้วก็เป็นธาตุขันดับขันปริิพภานแล้ว ทนให้จบนะก็ท <c oughs> ี่บอกว่าแม่โคขิดขเธอให้ถึงสิ้นชีวิตเนี่ยนะถูกวัวขีด ต, ตายเนี่ยจะได้พูดอีกครั้งหนึ่งในเรื่องของสุปปพุทธกุฏิสูตรเดี๋ยว <c oughs> ข้างหน้าเนี่ยค่อยกล่าวอีกครั้งหนึ่งทำไมวัวจึงขีด ต, ตายอันนี้เอาไว้ก่อนนะนะ <c oughs> ในหน้า155ยย่อหน้าว่าพระศาสดาทรงบาด แล้วสเสวยพระกยาหารเสร็จแล้วพร้อมด้วยพิสูจน์ำนวนมากเสด็จออกจากพระนครทอดพระเนตรเห็นภาหยะตกอยู่ที่กองอยากยื่อทรงบัญชาพิสูนทั้งหลายว่าพิสูนทั้งหลายเธอยือนอยู่ที่ประตูเรือนหลังหนึ่งช่วยกันนำเตียงออกมานำร่างนี้ออกไปจากนครรำชาปน ก, กิจก็คือเผาแล้วก็ก่อสถูปเอาไว้พิสูจนทั้งหลายก็ได้ทาอย่างนั้น ก็แลครั้นทําแล้วก็ไปยังวิหารเข้าเฝ้าพระศาสดากราบทูลกิจที่ตนทําแล้วจึงทูลถามถึงอภิสัมปรายภพคือชาติหน้าของท่านพาหิยะลําดับนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสบอกแก่พิสูจนเหล่านั้นว่าท่านพาหิยะปรินิพานแล้วพิสูจนทั้งหลายก็ทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระองค์จงตรัสบอกว่าพาหิยะทารุจริยะบรรลุเป็นผ้ารหันแล้วหรือท่านบรรลุผ้ารหันที่ไหน พระองค์ก็ตรัสว่าบรรลุในเวลาที่ฟังธรรมของเราภิสูกุก็ทูลถามอีกว่าก็พระองค์แสดงธรรมแก่ท่านในเวลาไหนพระองค์ก็ตรัสว่าเมื่อเรากําลังบินทบาทยืนอยู่ในระหว่างถนนวันนี้เองพิสูจนทั้งหลายก็ถามต่อไปว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญทำมะที่พระองค์ยืนตรัสในระหว่างถนนนั้นมีประมาณน้อยท่านทําคุณวิเศษให้เกิดขึ้นด้วยเหตุเพียงเท่านั้นได้อย่างไรฟังแค่นี้เดียวปฏิบัติบรรลุได้ยังไงว่งงั้น ภาษาสดาก็เมื่อแสดงว่าพิสูจน์ทั้งหลายเธออย่าประมาณคืออย่าอย่าอย่ามากะว่าธรรมะของเราเนี่ยมีประมาณน้อยหรือมากอย่ามาวัดกันแบบนั้นแม้คถาตั้งหลายพันแต่ไม่ประกอบด้วยประโยชน์ไม่ประเสริฐเลยส่วนบทคาถาแม้บทเดียวซึ่งประกอบด้วยประโยชน์ยังประเสริฐกว่าก็จริงอะนะหนังสือนิยายเนี่ยจะหมดเป็นเล่มๆ ม, มันก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรทําที่สุดแห่งทุกอะไรได้สักอย่างใช่ไหม แต่ว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าทรงจำไว้ได้แม้แต่คาถาเดียวไปปฏิบัติก็ยังประกอบด้วยประโยชน์พระองค์ก็ตรัสว่าสาสมะปิเจคาถาเป็นต้นแปลว่าถ้าคาถาแม้ตั้งพันแต่ประกอบด้วยบทอันไม่เป็นประโยชน์บทคาถาบทเดียวซึ่งบุคคลฟังแล้วสงบประงับได้อย่างประเสริฐกว่า น, นะคำพูดที่ไม่มีประโยชน์นะอย่างที่เมาบ่นทั้งคืนเนี่ยนะมีประโยชน์ไมมแต่คาเดียว ไม่มีประโยชน์เลยแต่ว่าฟังธทำคําสอนพระพุทธเจ้าแม้แต่คําเดียวก็ยังมีประโยชน์เพราะฉะนั้นธงแสดงว่าเธอเป็นผู้ควรแก่บูชาด้วยเหตุเพียงปริณิพานอย่างเดียวก็หาไม่โดยที่แท้เธอเป็นผู้สมควรแก่การบูชาแม้ด้วยภาวะอันเลิศกว่าภิกษุสาวกของเราผู้เป็นขิปน า, าิียาคือตรัสรู้เร็วกว่าเพื่อนนะนะจึงสถาปนาท่านไว้ในเอตะทัคคะว่าภิกษุทั้งหลาย บรรดาภิกษุสาวกผู้เป็นขิปพาพิญญาท่านพาห ย, ยะทารุจิรยะเป็นเลิศได้ตำแหน่งเอตัทัคคะตรัสรู้เร็ว <c oughs> ทีนี้หลังจากนั้นเนี่ยนะพูดถึงย่อหน้าล่างๆต่อไปว่าหลังจากที่ทำเจดีเสร็จแล้วเนี่ยนะดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพื่อนสะพรหมจารีของพวกเธอปรินิพานแล้วข้อนั้นเมียที่บายว่า ท่านภาหายะได้ประพฤติ ธ, ธรรมะคือข้อปฏิบัติมีอธิศีนอธิจิตอธิปัญญาที่พวกเธอประพฤติแล้วและกําลังประพฤติอยู่ที่ชื่อว่าเป็นพรหมเพราะอัฐ่าว่าประเสริฐได้ประเสริฐเสมอกับพวกเธอเพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่าสะพรมจารีคือปฏิบัติได้เท่ากับพระอริยะปฏิบัติได้เท่าพระอรหันหมดเลยท่านนั้นได้ทํากาละแล้วตามปกติแห่งมรณการ เพราะเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าพวกเธอจงเอาเตียงหามศรีระของท่านไปทำชาปนากิจแล้วก็ก่อสถูปเอาไว้พิสูจนทั้งหลายว่าชาติต่อไปของท่านเป็นอย่างไรพระองค์ก็บอกว่าปริณิพานแล้วในยอ่อหน้าหน้า157บอกว่าพระพาหยะนิปันดิโตเป็นบัณฑิตคําว่าบัณฑิตก็เพราะไปคือดําเนินไปได้แก่เป็นไปด้วยปัญญาคือใช้ชีวิตด้วยปัญญานะ เพราะบรรลุปัญญาอันสัมปยุดด้วยอรหัตตมรักไม่ใช่บัณฑิตธรรมดานะเป็นบัณฑิตระดับมีปัญญาปัญญาระดับอรหัตตมรักด้วยปัจจปาทีแปลาว่า ด, ดำเนินไปแล้วบทว่าธรรมสะสระได้แก่โลกุตระธรรมอนุธรร ม, มังได้แก่เจริญปฏิปธรมมีศีละวิสุทธิ์เป็นต้นที่บอกว่าเป็นผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมก็คือปฏิบัติศีลธรรมเป็นต้นสมควรแก่โลกุตระธรรม อีกอย่างหนึ่งบทว่าธรรมมะได้แก่นิพพานธรรมอนุธรรมสะก็คือปฏิบัติอริยมรรคอริยผลก็คือปฏิบัติอริยมรรคอริยผลสมควรแก่นิพพานมันปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมมีสองในในที่หนึ่งคือปฏิบัติศีลเป็นต้นสมควรแก่มรรคผลในยะที่สองปฏิบัติอริยมรรคอริยผลสมควรแก่นิพพานบทว่าณนะจะมังธรรมมาที่กระนังความว่า ก็เหตุแห่งการแสดงธรรมไม่ทำให้เราลำบากเพราะปฏิบัติตามที่พร่ผาสอนคือถ้าใครปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าสอนชื่อว่าไม่ทำให้พระองค์ลำบากจริงอยู่ท่านฟังธรรมหรือเรียนกรรมฐานในสำนักของพระศาสดาแต่ไม่ปฏิบัติตามที่ทรงพระผ้าสอนชื่อว่าทําพระศาสดาให้ลำบากเนี่ยนะเพราะพระองค์ได้ตรัสกับพรหมกับพรหมตอนไหน ตอนที่พรมมาราธนาเนี่ยนะตอนที่พรมมาจโลกาธิปฏิสามปติเป็นต้นเนี่ยนะที่พระองค์ก็ตอบว่ามีอยู่ข้อความตอนหนึ่งว่าเรามีความสำคัญในความลำบากจึงไม่กล่าวทรรมที่เราคล่องแคล่วเนี่ยนะที่ประนีตในหมู่มนุษย์เนี่ยนะอันนี้ก็ตรัสกับพรมนะแต่เขาก็แปลไม่ค่อยชัดนะนะดูก่อนพรมแต่จริงต้องแปลว่าดูก่อนพรม้ม เรามีความสําคัญว่าลําบากจึงไม่กล่าวทำที่เราเนี่ยคล่องแคล่วเป็นธรรมที่ประเนีดในหมู่ชนเพราะกลัวลําบากว่างั้นเถอะอีกอย่างหนึ่งบทว่าณนะจะมังทำมาที่กระนังความว่าจะเป็นเหตุแห่งธรรมก็นี้ก็หาม่ได้อธิบายไว้ว่าชื่อว่าไม่ทําเราให้ลําบากเพราะปฏิบัติศาสนธรรมของเรานี้ด้วยดีอันเป็นเหตุนําสรรพสัตต์ออกจากวัตทุกข์ ถ้าปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าสอนจริงๆก็ไม่ลาบากหรอกเพราะว่าเป็นคําสอนที่นําออกจากทุกจริงๆส่วนผู้ปฏิบัติชั่วละ่ะทำลายศาสนาธรรมชื่อว่าได้การประหารสรีระคือธรรมะของภาษาสดาถ้าปฏิบัติผิดทูตศีลเป็นต้นเนี่ยนะก็ชื่อว่าทำลายประหารสรีระธรรมของพระพุทธเจ้าแต่ท่านพระพายะนี้ท่านปฏิบัติอยู่ในสัมมาปฏิบัติธรรมที่สุด ทำที่สุดแล้วเนี่ยนะปรินิพานด้วยอนุปาทิเสสะนิพานธาตุพระองค์เนี่ยหลังจากรู้นะคือคือสรุปทบทวนเนื้อหาทั้งหมดพระองค์ก็ทราบเนื้อความนี้แล้วก็เลยแปลงอุทานแปลงอุทานในหน้า128ว่าดินน้ำไฟและลมย่อมไม่หลงังลงในนิพานธาตุดคือในนิพานเนี่ยไม่บไม่มีธาตุดินน้ำลมไฟว่างั้นเถอะ เมื่อ น, นิพานไม่มีดินน้ำลมไฟนิพานก็ไม่มีสีเสียงกลิ่นรสโภภพธพภะเป็นต้นนะนะนิพานธาตุนั้นดาวทั้งหลายย่อมไม่สว่างนิพานเนี่ยไม่มีดวงดาวสองนะนิพานนี้ก็ไม่มีดวงอาทิตย์ปรากฏดวงจันทร์ก็ไม่สว่างแต่ก็ไม่มีความมืดอะ น, นั่นคือธรรมชาติ น, พ น, นิพานนิพานเนี่ยกล่าวพูดแบบปฏิเสธธาตุสี่เลยปฏิเสธดินน้ำลมไฟดาวปฏิเสธดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ปฏิเสธความมืดทุกอย่าง ก็เมื่อใดพรามชื่อว่าเป็นมุนีมุนีคือมีโมเนยธรรมเนี่ยตรัสรู้อริยสัจแล้วด้วยตนเองเมื่อนั้นพรามย่อมหลุดพ้นจากรูปและอรูปคือหลุดพ้นจาก วัตตะในภูมิ3าหลุดพ้นจากสุขและทุกข์หลุดพ้นจากวัตตทุกข์โดยประการทั้งปวงสรุปว่าผู้ที่จะบรรลุพระนิพพานได้เนี่ยต้องเป็นมุนีคือมีโมนยธรรมตรัสรู้อริยสัจถ้าตรัสรู้อริยสัจอย่างนี้แล้วก็พ้นจากวัตตะโดยประการทั้งปวงมีคําอธิบายเพิ่มเติมนิดหนึ่งะนะจริงๆเกี่ยวกับเรื่องนิพพานมีรายละเอียดที่จะกล่าวโน้นวรรคสุดท้ายชื่อว่านิพพานธาตุ อ น, นิพพานสูตรมี4ี่สูตรปฐมทุติยะตาติยะจะตุทานิพพานสูตรมีอยู่สสูตรซึ่งจะกล่าวต่อไปในอนาคตเนี่ยนะวันนี้ไม่ทันแน่ก็มาดูในหน้า158่อยด่อหน้าล่างอีกครั้งว่าบทว่าเอตมัดถังวิธิตวาความว่าทรงทราบว่าพระพาหยะเถระปรินิพานด้วยอนุปาทิเสสานิพพานธาตุ และ ว, ว่าคติของพระขีนาสบทั้งหลายผู้ปรินิพานแล้วเช่นนั้นอันคนจำนวนมากรู้ได้ยากโดยอาการทั้งปวงคือไม่มีใครรู้หรอกว่าท่านไปไหนหอย่างนั้นเถอะพระองค์ก็ได้เปล่งอุทานแสดงอนุภาพของการปรินิพานอันไม่ประดิษฐานอยู่แล้วคือพระพายะยะไม่ได้ดำรงอยู่ในดินน้ำลมไฟพระพายะยะไม่ได้ไปเกิดที่ดวงดาวที่ดวงจันทร์และดวงอาทิตย์เลยคื อ, คอไม่ได้ไปอย่างที่ที่บางคนเขาว่าพบกันที่ไหน ทางช้างเผือกใช่ไหมทางช้างเผือกก็คือกลุ่มหมูดาวไม่ได้ไปเจอกันที่นั่นอะไรหรอกเนี่ยนะเงาแย่เลยนะไปอยู่ที่นั่น น, นะดาวว่วางขนาดนั้นสรุปว่าไม่มีในปฐวีธาตุอาปโปเตโชธาตุไม่อย่างลงไม่ประดิษฐานอยู่ในนิพพานคือนิพพานไม่มีธาตุสี่ธาตุสี่ก็ไม่มีในนิพพานเพราะเหตุไรเพราะพระนิพพานมีสภาวะเป็นอสังขตะธรรม จริงอยู่แม้สิ่งเล็กน้อยแห่งสังคตะธรรมก็ไม่มีในนิพานเขาบอกว่าธรรมะมีสองอย่างคือสังคตะกับอสังคตะใช่ไหมสังคตะธรรมคืออะไรคือธรรมที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งแล้วอสังคตะธรรมอะธรรมที่ดับสังคตะธรรมนะสังคตะธรรมเนี่ยนะขออภัยอสังคตะธรรมเนี่ยต้องแปลว่าธรรมที่ดับสังคตะธรรมแล้วก็กล่าวต่อไปในอนาคตเนี่ยนะ สรุปว่านิพพานไม่มีธาตุสี่นิพพานไม่มีดวงดาวไม่มีดวงอาทิตย์ไม่มีดวงจันทร์เพราะว่าดวงดาวดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ก็ธาตุสี่ใช่ไหมนิพพานไม่มีธาตุส่ธาตุสีไม่มีในนิพพานและขณะเดียวกันนิพพานก็ไม่มีความมืดตมโมตัฏฐนวิชติความมืดไม่มีในพระนิพพานนั้นดังนี้ทรงหมายเอาความสงสัยว่าบางคนเกิดความสงสัยว่า ถ้าดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ไม่มีในนิพพานนะี่นะนิพพานก็จะเป็นมืดมิดเหมือนโลกัานตนรกสิจริงอยู่เมื่อรูปมีความมืดก็มีนิพพานไม่มีรูปรอกเมื่อนิพพานไม่มีรูปจะไปมืดอะไรมืดสว่างเข้ า, าไว้พูดกับรูปเมื่อไม่มีรูปแล้วไปมีมืดสว่างได้ยังไงเหงือนบทว่ายะถาจะอัตนาเวทิโมนิโมเนนะบรมโนความว่าง พราหมผู้เป็นพระอริยาสาวกซึ่งได้นามว่ามุนีผู้ประกอบด้วยมัรคยานอันในชื่อว่าโมนะเพราะรู้สัจจะทั้งสี่ประกอบด้วยโมนยปฏิปทาทางกายเป็นต้นและอาการมีการาฟังตามตามกันมาเป็นต้นด้วยตนคือด้วยตนเองในขณะอรหัตตมัก ข, ขณะอรหัตตมักเนี่ยชื่อว่าฟังฟังกันไหมไม่เป็นการเจริญแล้วเป็นภาวนาในการใดคือในเวลาได้ ในเวลาใดด้วยปฏิเวทยานกล่าวคือโมนะนั่นเองนั่นแหละรู้แจ้งพระนิพพานกระทําให้ประจักษ์แก่ตนหมายคําว่าอริยมรรคอริยผลเนี่ยแทงตลอดอริยสัตวตรัสรู้พระนิพพานนั่นเองเมื่อตรัสรู้พระนิพพานอย่างนี้แล้วเนี่ยนะพระองค์ก็บอกว่าหลุดพ้นไปจากรูปและอรูปหลุดพ้นไปจากสุขจากทุกข์กล่าวสรุปรวบยอดว่าหลุดพ้นจาก วัตตะในภูมิสามหลุดพ้นจากเอกโวการภพหลุดพ้นจากจตุวการภพหลุดพ้นจากปัญจโวการภพเนี่ยนะหลุดหลุดพ้นจากสุขทุกข์ก็คือหลุดพ้นจากวัตตะเพราะวัตตะนี่ก่อให้เกิดสุขและทุกข์ไม่มีการปฏิสนธิในภพนใดๆไม่ว่าจะเป็นกามาภพเป็นต้นสรุปว่าพราหมณ์คือผ้าหันนั้นพ้นจากวัตตะทั้งสิน้นโดยสิ้นเชิงทีเดียวด้วยประการชนิแล สองคาถาสองคาถาพระพุทธเจ้าแสดงพระนิพพานเห็นปาน่นานี้นะิพพานเนี่ยคือที่ดับวตฏะโดยประการทั้งปวงเป็นที่ไปคือคติแห่งพาหยะผู้เป็นบุตรของเรา น, นะคราบว่าในหน้า128เนี่ยถ้าเป็นคาถา ภ, าภาษาบาลีมีอยู่สี่บรรทัดด้วยกัน น, นะหนึคาถามี2บรรทัด ต, ตรงนี้มี4บรรทัดเพราะฉะนั้นก็เรียกว่า2องคาถาสคาถานี้ประกาศคุณของพระนิพพานนั้นพระพาหยะก็ดับขันตรินิพพาน เพราะตรัสรู้อริยศาสตร์ตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วพรนภัหยะสูตรก็จบแต่เพียงเท่านี้นะวันนี้ก็ใช้เวลาแต่เพียงเท่านี้ด้วยบุญกุศลที่เราทั้งหลายได้ฟังพระธรรมเนี่ยนะด้วยดีตั้งแต่เช้าบ่ายค่ำสามรอบนี้บุญกุศลเหล่านี้ขอจงเป็นปัจจัยเป็นอุปนิสัยอนะพระพัยยะตรัสรู้พระธรรมที่พระพุทธเจ้าแสดงแล้วพ้นจากทุกประการใด ขอให้เราบุญเหล่านี้จงเป็นปัจจัยให้ได้ตรัสรู้ธรรมะเหล่านั้นเพื่อความพ้นทุกทุกคนทุกท่านขออนุมโมทนาอย่างยิ่งจนทรอ